8 apag สามัคคีช่วยกันทําดีเพื่อแผ่น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อ 9 ปี กอง 2 20 จังหวัดภาคอีสาน 95 สถานีขอเชิญทุกวันในเวลารายการอีสาน น. ถึง น. ๆ ราชการสําหรับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองใหให 22 ให้เข้า ผู้อำนวยความสะดวกๆเรื่องที่เป็นหัวข้อในการปฏิรูป เอาข้อมูลนี้ให้ท่านดูก่อนเพราะฉะนั้น 2 ของรัฐบาลที่จะตั้ง ทำได้แล้วก็ไปสู่ฝ่ายกฎหมายเช่นดนตรีบันเทิง ให้เขาได้คลี่คลายเขาได้ลดความนะไม่งั้นคนคุยกันไม่ได้ 1 2 ใหใหโน่นมี ทำให้ถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับซ้ํามันก็จะได้แก้ 2 สภาปฏิรูปนะครับวัน เพื่อนํารักกลับมาต้องใช้เวลา จะจงไว้ใจและศรัทธา เถไทยวัน ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติจะเชิญผ่านภัยไฟลูกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินคู่มาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร อยู่กับรายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะคะนํา ค่ะในวันนี้นะคะรายการซึ่ง ทุกท่านคงๆ ชาติและองค์ราชาคําชี้แจงของ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ แถลง 2 ร่วม 20 จังหวัดภาคอีสาน 30 สถานีการพัฒนาเมือง สวัสดี ก็ต้องรับเข้า 20 จังหวัดภาคอีสานนะคะโดยในวัน วันนี้นะคะสําหรับในวันนี้รายการอีสานมั่ง รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งทุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งของคน ก็คิดว่าทุกท่านคงได้ติด <Fine. S 1> เอ่อ 2 สถานการณ์นะครับอันแรก เป็นการมวลชนพบปะพัฒนาสัมพันธ์และสํารวจทัศนคติของประชาชนเนี่ยในพื้น เอ่อปุณณ์ตอบกลับๆในจังหวัดสุรินทร์ อาจจัดระเบียบรายงานต่างด้าวอัน AEC ซึ่งคงจะมีรายประมาณ สามารถสามารถไหวกับ 16 เดือนเนี้ยจะแบบจบ นะครับซึ่งเป็น 16 กรกฎาคม 4 จังหวัดที่อยู่ชายแดน ที่ไม่ 200 คันที่ไม่ถูกกฎหมายผิดระเบียบอันนี้จะ 2 วินเรา ซึ่งปัจจุบัน 700 กว่ารายนะครับๆด้านได้นะ รถไส้ขันคนรถ 3 ล้อนะครับเราก็ได้ดําเนิน จากเอ่อที่คนไปจำนองจากการเล่นการ <ม. S 1> กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้โดยการเอ่อเข้าไป คําสินเหล่าเนี้ยมันเข้าไปยอม 20 กว่าแต่ 3 พื้นที่หลักๆที่ นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนครั้งแต่ ไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 94 ครั้งโดยคร <ฮ ะ. S 2> ครคร 4 ชุดตรวจที่เข้าไปครคร 4 ชุดตรวจ นะครับแล้วก็ในส่วนของพาณิชจังหวัดนะนะนะเร 3 กันยายนที่ผ่านมา 25 เดือน จังหวัดเลยมี 8 ล้าน 300,000 กระสอบทีเดียวนะครับค่ะ ของข้าวเนี่ยก็สอบไม่นะนะนะ DNA นะครับที่ แล้วนะครับซึ่งพลยังไม่ไม่แจ้งมา มันเป็นแนวทางที่เราต้องการจะสร้าง มันก็จะคลายลงไปนะครับซึ่งมันก็จะ long ตัวด้วยมติของ คสช. เนี่ยได้ทํา MOU ใน ประเทศไทย ทั้งใน MOU เพื่อที่จะสร้างความปรองดอง อันนี้มีความสําคัญยิ่งนะครับ โครงสร้างการเศรษฐกิจข้อมูล 11 ด้านที่ผมกล่าว ทีมงานชาวโนนก็ได้ให้ความร่วม ค่ะนะคะก็เอ่อหวังว่าความคิด จากพี่น้องประชาชนๆเพื่อแจ้งๆเรื่องให้ ทุกคนมีความต้องการให้มันหมดสิ้นไป เข้าไปยื่นหนังสือหรือจะมีที่กรอก 17 อําเภอเป็น 187 นะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ๆพื้นที่ที่ต้อง ที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายภาคส่วนใน เอ่อเรียนท่านผู้พี่น้องทุกท่านได้ทราบค่ะขอ วันซึมคืนสวัสดีค่ะสุขให้แผ่นดิน FM 90.25 เมกะเฮิรตสวัสดิ์